ต่อไปจะเริ่มตรวจกันบ้านทีมนครสวรรค์นนะไปจัดชิวนะหลวงพ่อให้ถามได้สิบคนไปเลือกอ่ะคนไหนคนไหนจําเป็นจริงๆนะคนไหนไม่จําเป็นก็อย่าถามเลยบางคนไม่มีเรื่องจะถามแต่อยากคุยกับหลวงพ่อเผื่อจะมีเสียงไปออกซีดีแล้วซีดีนั่นก็เอาไปเปิดออกวิทยุด้วยจะได้เรียกให้ลูกหลานฟังนี่นี่นี่นี่เสียงฉันออกแล้วนะ อย่างนั้นก็อย่ามาพูดเลยเสียเวลาเอาต่อไปพวกอยู่วัดส่งกันบ้านก่อนเมื่อเมื่อคืนดูความคิดนะฮะแล้วมันมีตัวออกไปกับความคิดด้วยอืเมื่อก่อนมันเห็นตัวตัวเรามีความคิดแต่อตอนนี้มันเป็นเราคิดออกไปเออหนะ้าใจมันสซ่านออกไปใจมันกระโดดใจมันเคลื่อนให้เห็นใจที่ไหลออกไป การภาวนาถ้าเราเห็นใจที่เคลื่อนออกไปได้นะก็ดีมากเลยเนี่หลวงปู่ดูลเรียกว่าสง่งจิตออกนอกเห็นไหมจิตมันเคลื่อนไปเคลื่อนไปทําอะไรเคลื่อนไปทํางานเรียกว่าไปสร้างภพการสง่งจิตออกนอกก็คือตัวตันหาจิตมันทยานออกไปตันหาทําหน้าที่สร้างภพแตงเขียนไหมออกไปแล้วไม่ได้ไปอยู่เฉยๆออกไปทํางานมันมันเห็นความคิดอยู่2ออย่างะฮะคือคิดเรามีเหมือนแบบเป็นกรรมกับ คิดเฉยๆเออคิดเฉยๆก็เป็นกริยาไปนะคิดที่เป็นกรรมก็คือเราไปอินกับมันคือมเมื่อเมื่อต้นเดือนที่แล้วฮะผมอ่านหนังสือแล้วมันมีตัวรู้แล้วก็ตัวเองอ่ะไปคิดอยู่ข้างนอกเต็ไมไปหมดเลยครับเอออย่าประคองตัวรู้ไว้ก็แล้วกันแค่เห็นว่ามีอยู่อย่ารักษาแล้วมันมันหายไปแล้วครับดีแล้ว <S <S 2> <S> <S 2> บางคนไปรักษาตัวรู้ไว้นะทรงอยู่งั้นตลอด พอไปรักษาตัวรู้ทรงเอาไว้นะมันเห็นทุกอย่างเกิดดับยกเว้นตัวรู้บางคนก็เดินอย่างนั้นก่อนก็ได้สุดท้ายต้องมาทําลายตัวรู้ทีหลังถ้าเรายัางไม่มีเราไม่ต้องไปทํามันขึ้นมาไม่ต้องมาเหนื่อยในการทําลายทําลายยากนะตัวรู้แล้วเห็นตัวรู้อยู่ทั้งวันนี้จิตมันทรงชานจะหลุดพ้นได้ต้องเห็นจิตเป็นทุกข์อย่างแสนสาหัสเลยจะผ่านยาก แล้วตัวเรานี่มันอยู่ในความคิดหรือเปล่าฮะตัวเราไม่มีหรอกมันเหมือนกับ เ, เป็นสิ่งที่คิดขึ้นมามันเป็นความคิดที่ตัวเรามันเป็นความคิดด้วยความหลงผิดอ้าวว่าไปนี่เพื่อนหลวงพ่อแก่พอๆกันแนละ้วเมื่อก่อนสวยนะออาว่าไปากาบเรียนหลวงพ่อคราวที่แล้วหลวงพ่อใดูเรื่องบังคับ ก็เลยพยายามจะไปฝึกว่าปล่อยไม่ให้บังคับแต่ว่าพอปล่อยแล้วก็เลยฟุง้งธรรมดาถ้าเราบังคับไว้นานเนี่ยพอปล่อยแล้วจะฟุ้งมากกว่าคนทั่วๆไปต้องอดทนอะฟุ้งก็ฟุง้งฟุ้งก็ตามดูไปพอมันหมดแรงฟุ้งมันก็เรียบร้อยเองแหลนะเพราะฉะนั้นเดยไปฝึกบังคับถ้าเราฝึกบังคับกายฝึกบังคับใจอันนั้นเรียกว่าอัตตะกิลมัฐานยุโยกอัตตะกิลมัฐานยุโยกใช้ไม่ได้เดินปัญญาไม่ได้ทัากายก็นิ่งใจก็นิ่ง ไม่เคลื่อนไหวรู้สึกไหมพอไม่บังคับแล้วเคลื่อนไหวค่ะรู้สึกค่ะแต่ก็ยังรู้สึกว่ากลับไปนิ่งอยู่บ่อยๆค่ะนั่นแหะเพราะมันยังเคยชินแต่ถ้าเวลาเราพาวนาเราไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้แล้วก็กลับไปทําความสงบให้มันมีเรี่ยวมีแรงพอมีแรงแล้วออกมารู้กายรู้ใจอย่าปล่อยให้นิ่งไปฝึกทําความสงบก็พยายามเคยฝึกสมถะมายเยอะพอฝึกส ม, สมถะปุ๊บก็ คล้ๆกัรวมแล้วก็เงียบไปเลยใช่ไหมคะแต่ก็ฝึกไปอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะฝึกไปอย่างนี้แหละดีขึ้นตั้งเยอะแล้วรู้สึกไหมใจมันเริ่มตื่นแล้วใช่ค่ะรู้สึกไหมมันเหมือนมันตื่นจริงๆมันโปร่งโล่งเบาสว่างสบายขึ้นมาไม่ใช่หนักๆแน่นๆแข็งๆซึมๆทื่อๆมืดๆนะอา้าวคนนี้ต้องทําให้สบายนะคนเนี้ยทําแบบลําบากมากไปยอมกดนะคะกดะสิถึงลําบาก การบังคับกายบังคับใจท่านถึงเรียกว่าอัตตะกิลมะฐานโโยะอัตตะกิลมะฐานโยโยคือการทําตัวเองให้ลําบากเมื่อเราคิดเรื่องการปฏิบัติเราก็บังคับตัวเองให้ลําบากบังคับกายบังคับใจเราคิดว่าถ้าบังคับดีแล้ววันนึงจะบรรลุมรรคผลนิพพานคนละเรื่องเลยการบังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจให้มันสงบให้มันเรียบร้อยเนี่ยเรียกว่าปุญญาพิสังขารความปรุงแต่งฝ่ายดี ปัญญาพิสังขานะรนรกเง่าของมันก็คืออวิชชาผลของมันก็คือพบคือชาติคือทุกข์งั้นเราก็อย่าไปหลงกลมันอย่าไปปรุงให้รู้ทันจิตมันปรุงคนนี้มันใส่เสื้อกลับข้างมั้งหรือว่ามันถูกแล้วถูกแลครับอ๋อเหรอเสื้อแบบนี้มันอ๋อคนแก่แล้วดูไม่ออก่เสื้อเดี๋ยวนี้มันตัดอย่างนี้อา้าว่าไปก็ เจอปัญหาผมเจอว่าตัวเองไม่ได้คลองศินดีพอครับมอะไรนะเจอศินไม่ได้ถือสินได้หนักแน่นพอครับเออพยายามเขานะสินน่ะจําเป็นสีลเหมือนแผ่นดินจะสร้างบ้านสร้างเรือนก็ต้องปรับที่ให้แข็งแรงก่อนศีลไม่แข็งแรงจะไม่ดีบางคนไม่มีศีล น, นะแต่าทาสมาธิขึ้นมาก็ชั่วร้ายขึ้นมาได้ศีลมันเป็นเครื่องกั้นไม่ให้เราทําความชั่วหยาบทางกายทางวาจาแต่ทางใจเราจะไม่เก็บกด เวลาเราทำมิปัสสนาเราจะไม่เก็บกดทางใจจิตมันชั่วรู้ว่ามันชั่วจิตมันดีรู้ว่ามันดีไม่ใช่ต้องทําให้ดีตลอดเมื่อเราไม่เก็บกดทางใจเนี่ยถ้าเราไม่มีศีลเป็นเครื่องกั้นเราก็จะทําตามใจกิเลสเนี่ยเรามีศีลเนี่ยเพื่อเราจะได้ไม่ทําความผิดทางกายทางวาจาตามใจกิเลสเวลากิเลสผุดขึ้นมาเราจะได้คอยตามรู้ตามดูไปถ้าเราตามใจมันแล้วเราเลยไม่ได้ดูนะแต่ถ้าเราพลาดพรัง้งทําผิดศีลไปแล้วลืมซะ ให้คนที่ทําผิดศีลนั้นมันตายไปแล้วเรามีชีวิตใหม่อยู่กับปัจจุบันเป็นขณะขณะนี้คนในขณะนี้ไม่ได้ทําผิดศีลสมัยพุทธกาลก็มีเพชฌฆาตฆ่าคนตลอดชีวิตเลยจนกเกษียณจนกเกษียณแล้วก็ทําบุญนิมนต์พระสารีบุตรไปพระสารีบุตรเทศให้ฟังนะจิตใจแก่ฟุ้งซ่านแก่คิดอย่างเดียวว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี้ยทำผิดศีลคือไปฆ่าคนจิตใจไม่สงบ ท่านภาษาบุตรท่านฉลาดท่านก็ออกอุบายถามบอกว่าที่โยมไปตัดหัวคนนั้นอะโยมอยากตัดเขาหรือว่าพระราชาสั่งให้ตัดนี่แกก็ปิ้งไอเดียบันเจิดโอ้พระราชาสั่งเพราะฉะนั้นพระราชาบาปเราไม่บาปจิตใจแกในขณะนั้นมีความสงบสุขขึ้นมาแกฟังทำนะแกได้โสดาของคุณทำผิดศีลเนี่ยฆ่าคนได้ผ่านค น, นยัง ไม่เท่าพระองค์คุริมานทำไมองค์คุริมานฆ่าคนพันคนเป็นพระอรหันต์ได้เพราะองค์คุริมานที่ฆ่าคนนั้นตายไปแล้วตั้งแต่ย้อนมาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเกิดองค์คุริมานคนใหม่ขึ้นมานั้นเรามีชีวิตอยู่กับปัจจุบันไปแต่ไม่ใช่คําสอนนี้ไม่ใช่อุบายสําหรับให้ทําชั่วนะตอนนี้ไปขโมยเขาแล้วพอกลับมาบ้านบอกไอ้คนที่ขโมยตายไปแล้ว อันนี้เป็นคนใหม่อย่างนั้นไม่ได้นะเพราะนั้นมันถูกกิเลสลากออกไปแล้วคําสอนนี้ทำไปเพื่อให้เกิดกําลังใจที่จะปฏิบัติต่อไปจําหลักไว้ว่ากุศลใดที่ทําแล้วนะให้นึกถึงบ่อยๆอกุศลใดที่ทําแล้วลืมมันไปใชการที่เรานึกถึงอกุศลซ้ําแล้วซ้ําอีกก็คือจิตมันจะขึ้นวิถีของอกุศลใหม่เท่ากับเราทําอกุศลซ้ําแล้วซ้ําอีก แต่ถ้าเราทำบุญมาทำดีมาเราคิดซ้าแล้วซ้าอีกจิตก็ขึ้นวิถีที่เป็นกุศลใหม่เหมือนทำดีซ้าแล้วซ้าอีกเพราะงั้นถ้าทำผิดศีลนะลืมมันซะแค่ตั้งใจพระต่อไปจะสารวมระวังไม่ทําอีกระบบของพระก็มีนะพระเวลาทำผิดพระวินัยพระก็ไปปรองอบับด์ถ้าผิดวินัยร้ายแรงก็ถูกจาคุกถูกกักต้องอยู่ปริวาสอะไรเงี้ย ถ้าผิดร้ายแรงที่สุดก็ถูกประหารชีวิตคือถูกไล่ออกจากพระไม่ให้เป็นพระอีกนะมีความผิดหลายขั้นถ้าความผิดพื้นๆเนี่ยท่านปรองอ ბ ัติท่านสารภาพสารภาพต่อหมู่สงฆ์ซะเมื่อเราทําความผิดนะก็สารภาพซะสารภาพแล้วจะเกิดอะไรขึ้นสารภาพแล้วสบายใจในบทปรองอ ბ ัตของพระเนี่ยนะลงท้ายจะบอกว่าเนี่ยผมประกาศความผิดนะเพื่อความสํารวมระวังในการต่อไปจะไม่ทําอีก เพราะงั้นถ้าวันนี้ปรงอาบัตนะโสดจินเข้าเย็นพรุ่งนี้อาบัตอีกแล้วแล้วก็มาบอกว่าผมจะไม่ทําอีกมาลื้อเราอีกแล้วไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่า <c oughs> พวกทู้ศีลพวกหน้าด้าน <c oughs> อย่างนั้นใช้ไม่ได้นี่ถ้าทําผิดศีลลืมไปซะเริ่มต้นชีวิตใหม่ชีวิตของคนที่รู้ตื่นเบิกบานขึ้นมารู้สึกตัว <c oughs> หมดหรือยังคนที่อยู่วัดครบไห้ <c oughs> ยังเหลืออีกหนึ่งอ๋อเหลืออีกสองอาว่าไป <c oughs> กันบ้านที่ทหลวงพ่อให้ไปตอนนี้ว่าให้เลิกเพ่งแล้วก็หันมาดูการเคลื่อนไหวของกายในชีวิตประจำวันปรากฏว่าอันนี้ก็เลยไปไปเปิดสิ่งที่ปิดอยู่นานนะคะก็ในช่วงเดือนกว่าๆที่ผ่านมาก็พบกิเลสมากมาย <c oughs> ทั้งโทสะทั้งมานะ <c oughs> แล้วขึ้นมาแบบ แรงแรงเหมือนกันนะคะทั้งที่บ้านทั้งที่ทำงานทั้งในกลุ่มเพื่อนฝูงนั่นแหละดีแล้วนะตัวจริงไม่งั้นเราจะเก็บกดซ่อนไว้ซ่อนไว้เอาไปชาติหน้าถ้าหน้าร้ายกว่านี้อีก <c oughs> แล้วตอนที่มาปฏิบัติที่นี่นะคะตอนตอนหัวค่ำเนี่ยก็จะมีโมหะแล้วก็จิตฟุงฟ้งๆแล้วพอก็ใช้วิธีคือเดินจงกรมชนิดสบายๆ แล้วก็ดูการเคลื่อนไหวของกายสลับกับการนั่งดูดูกายนะคะดูความทุกข์ที่ในกายแต่ก็ปรากฏว่าตอนตอนดึกเนี่ยอยู่ดีๆก็มีการหยุดขึ้นมาแล้วก็จิตคือเหมือนกับตื่นขึ้นมา อ, มอย่างอย่างที่ไม่ไม่เคยเป็นมาก่อ น, น, นะเลยนะเวลาธรรมาบอกว่าให้ทําอย่างนี้สิให้ทําอย่างนี้สิอย่างไปบอกมอภยัยบอกดูกระดูกไปนะ ควาจริงไม่ได้ให้รู้แค่กระดูกหรอกหรือพี่แอดบอกให้รู้สึกกายไปอย่างเงี้ยไม่ได้สุดท้ายไม่ได้รู้สึกที่กายหรอก <S <S จะมันเป็นการปลดปล่อยจิตให้เป็นอิสระขึ้นมาแล้วทํางานในอิสระ <S <S เราจะรู้สารพัดจะรู้เลยเพราะฉะนกรรมาฐานที่ให้แต่ละคนนะเหมือนลูกกุญแจไขเข้าไปตรงนี้ไม่ใช่ว่าจะรู้อยู่แค่ประตูแต่ไขแล้วหลุดออกไปได้จะรู้อะไรที่กว้างขวางเพราะันบางคนรู้สึกเสียอกเสียใจ เมื่อก่อนนี้ให้หมอไพร์นะบอกไปดูกระดูกนะมันเถียงใหญ่รู้สึกน้อยไปคนอื่นทําไมเขาดูยากๆของเราต้องดูกระดูกมันเถียงอยู่นะมันไม่ค่อยยอมทํานะแล้วมันทําจิตมันเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้ก็ก็รู้สึกว่าจะพบทางที่ที่จะเดินแล้วคะ่ะพี่แอ๊น่ลืมไปหลวงพ่อพูดสอนอเร น, นี้มานานแล้วค่ะแล้วลืมไปคือไปอไปรู้สึกกายด้วยฟังผิดไงคะ ตอนตอนนั้นตอนที่ไปติดอยู่ที่เท้าอะคะ่ะไปกราบท่านที่ที่โคราชนะคะบอกว่าทำไมจิตไปติดอยู่ที่เท้าตลอดเวลาท่านก็บอกให้รู้ไปมันจะติดสักสิบปีสิบห้าปีให้มันติดไป <c oughs> ทีนี้คือไม่ได้เฉลียวนะคะก็เลยคิดว่า ติดไปก็ต <gibt> ิดไปก็เลยอยู่สะ20ีสิบปีเห็นั้มนานกว่าที่ท่านบอกท่านให้ติดสิบปีตอนนี้ก็คงจะมันอยู่ที่เรารู้ทันเราเรารู้ทันนะเราจะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวไปจิตไปกอะอยู่ที่เท่ารู้ทันไม่ต้องยุ่งแต่เรารู้กายของเราไปได้หลุดเองเอาพ่ไวัก็ยังเพลิดเพลินอยู่น้อยลงงงไม่ใช่มีโมหะตอนนี้มี เพลิอเพลินน้อยลงจิตไม่ตั้งมั่นรู้สึกไหมจิตไม่ถึงฐานก็กลับมาถึงฐานบ้างรู้สึกไหมไม่ไม่เข้ามายังไม่เข้าหรอรู้สึกเข้าบ้างฮะเข้าเป็นพัก <laughs> มีการเทียม <laughs> ให้ให้กําลังใจคนแก่นั่ง <laughs> เ, เข้ามาบ้างเอามันเข้าไม่ถึงที่มันนะรู้สึกไหมไม่ถึงที่หรอกขณะนี้นะใ ห, ให้รู้เอาเอาเชานะ้านครสวรรค์คนที่หนึ่ง ไหนคนไหนมาด้วยกันนะครสวรรค์นี่รือเปล่าเอ า, เอาส่งไปถามนรมัส ก, การหลวงพ่อค่ะเป็นครั้งแรกที่ได้ส่งกันบ้านนะคะเอเพิ่งมีโอกาสได้ฟังซีดีหลวงพ่อประมาณสามอาทิตย์ค่ะแต่ก่อนหน้านั้นเข้าคอสกรรมฐานมาสองครั้งในในปีนี้ทั้งสองครั้งนะคะแล้วก็พอกลับมาบ้านก็มาดูกายดูใจตามที่เขาสอนมาแต่วันแรกที่มาฟังซีดีหลวงพ่อเนี่ยก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาตัวเองเพ่งกายค่ะอืแล้วก็ เออวลาเผลอเลลวลาโกรธเราก็รู้แต่ว่ามั น, มนแทรกแซงตลอดเวลาแล้วก็ตอนนั้นยังไม่รู้อพอฟังซีดีหลวงพ่อก็เลยปรับม า, มาเป็นมารู้กายรู้ใจแบบสบายๆแต่ก็ไม่ท ร, ราบว่ายังจะก็ะะดีขึ้นแล้วนี่นะใจมันก็โปล่งโล่งเบาขึ้นมาค่ะก็ดูมันทํางานไปหลายคนภาวนาผิดนะผิดอย่างหน้าสังเวชใจเลยอยากดีลงทุนไปเข้าวัดเข้าคอร์สอะไรกันยิ่งภาวนาเราเครียดเราไม่ได้เรียนให้รู้เรื่องซะก่อน จิต ท, ที่เครียดเป็นอกุศลจิตจิต ท, ที่เครียดเป็นอกุศลจิตชนิดโทสะมูรจิตบางทีก็ซึมซึมไปภาวนาแล้วก็ซึมจิตที่ซึมซเนีเป็นจิตตะกูลโมหะบางทีภาวนาแล้วก็ไปแทรกแซงเห็นสภาวะใดๆเกิดขึ้นนั้นก็อยากแก้ไขตลอดเพราะจิตมันเจือด้วยโทสะแม้เราภาวนาแทบเป็นแทบตายนะทำไปเพื่อสนองกิเลส ท, ทั้งสิ้นเลย ที่อาจารย์มหาบัวท่านใช้คําว่าภาวนาแล้วกิเลสหนังไม่ถลอกเลยเพราะว่าภาวนาสนองกิเลสอยู่อยากดีรักดเีเกลียดชั่วรักสุขเกลียดทุกรักความสงบเกลียดความฟุ้งซ่านแบบใดที่ยังรักอันหนึง่งเกลียดอันหนึ่งอยู่เนี่ยจิตไม่เลิกปรุงแต่งให้เรารู้สภาวะทั้งหลายตามที่เข้าเป็นจริงๆนั้นอย่าไปแทรกแซงสภาวะพระพุทธเจ้าบอกให้รู้ตามความเป็นจริง เรารู้ตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วนั้นให้รู้ตามความเป็นจริงไม่ใช่ให้แสกแสงดีที่เห็นนะภาวนาใช้ได้แล้วอ่ะต่อไปอ้าว่างไงนำ้ำมัสมั่หลวงพ่อค่ะก็ตอนนี้โทสะแรงมากค่ะแล้วก็มันแรงถึงขนาดที่เรียกว่ามันออกมาทางวาจานะคะนั่นแหละเราภนะาวนาแต่ก่อนเราภาวนาเก็บกดใชคะนะ เราเป็นพระเรหันว่างเปล่ามันไม่หันหรอกเพราะมันไม่ได้ล้างกิเลสเนี่เราเห็นของจริงแล้วแล้วมันเหมือนกับวา่าไปเห็นว่าเหมือนตัวเองแน่ใครมติไม่ได้ไอะไรอย่าเ้เห็นไหมเรียนจากหลวงพ่อนะเร็วลงทุกวันยิ่งเรียนนะยิ่งเห็นนะกิเลสเยอะแยะแล้วรู้สึกไหมใจมันโปร่งขึ้นยิ่งเห็นอกุศลใช่ไหมใจยิ่งเป็นกุศลเป็นเรื่องแปลกนะยิ่งรู้ทุกยิ่งพ้นทุก นะยิ่งเห็นอกุศลที่เกิดขึ้นปัจจุบันสดๆร้อนๆนะั้นจิตยิ่งเป็นกุศลมากขึ้นดีละที่ฝึกอยู่ใช้ได้เอาไปอาจารย์นุ้นเดี๋ยวนะหลวงพ่อมีภารกิจตรวจกันบ้านอาจารย์นะครสวรรค์นี่แหละเดี๋ยวจะต้องไปสอนลูกสิ่งต่อเอไปสอนผิดๆลําบากกลับนะมรดการหลวงพ่ออาจารย์คนนี้ไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะที่ภาวนาอยู่นะใช้ได้แค่จิตมันไม่ค่อยตั้งมั่นเท่านั้นแหละนุ่งหรอ ใกล้ด <também com> <impose ending> ูเอานะสังเกตไหมจิตมันกว้างๆออกไปโปร่งๆกว้างๆนะแต่มันไม่ทวนกระแสเข้ามารู้กายรู้ใจของเรามันหนีไปหาความสุขซะแล้วล่ะอย่าเพิ่งไปหาความสุขตอนนี้ให้คอยรู้กายคอยรู้ใจบ่อยๆนะให้ทวนเข้ามาคอยรู้สึกกายรู้สึกใจเห็นกายทํางานเห็นจิตทํางาน อาจารย์มันใจใจไปอยู่ข้างนอกกันนะวโลง่ลงๆสบายมีความสุขนะใครมาว่าอะไรก็ยิ้มไปเรื่อยๆมีความสุขมันไปติดความสบายเร็วไปยังไม่ถึงเวลาที่จะสบายต้องทุกข์ก่อนอา้าวคนต่อไปทีมอาจารย์นครสวรรค์ครับนรมาสการหลวงพ่อครับผมกราบเรียนถามว่าสิ่งที่กระผมปฏิบัติอยู่เนี่ยได้ถูกทางหรือยังครับของโยมจิตยังมกมุ่นในการปฏิบัติมากไปนะ จิตยังเข้าไปคลุกในตัวอารมณ์เยอะดูห่างๆดูสบายๆายจิตยังไม่ค่อยสบายครับ <นะ S 2> ส่วนอาจารย์นั้นสบายเกินไปรู้สึกไหมโยมรู้สึกไหมขณะนี้ยเราตรึงความรู้สึกไว้นิดหนึ่งเรากดไว้ครับมันยังมีการบังคับอยู่ครับเราต้องปล่อยให้กายเ้าทํางานให้จิตเขาทํางานแต่ไม่ให้ผิดศีลนะรักษาศีลห้าแต่ให้กายมันทํางานให้จิตมันทํางานแล้วตามรู้ไปเรื่อยๆครับของอาจารย์ยังขมไว้นิดนึงครับนะ เอาชาวนครสวรรค์คนต่อไปเดี๋ยวทีมอื่นจะใจเย็นๆนาเดี๋ยวก็ถึงละนี่เขาจะต้องไปสอนนักเรียนต่อเันนี้เขจะต้องดูมากหน่อยกลาบนักการด้วยค่ะมากับคณะอาจารย์เป็นใจนะคะค<ง>รังแบบ้งแรกมาครั้งแรกค่ะก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรโกรธเป็นไหมโกรธมากเลยเจ้ะนั่นแหละโดยเฉพาะกับแม่ต่อไปนี้ โกรธนะให้รู้ว่ากําลังโกรธอยู่ยให้รู้ใจตัวเองน ะ, ะลืมแม่ไปก่อนเวลาโมโหดูที่ใจก่อนเนี่ยตอนเนี้ยใจลอยแวบไปแล้รู้สึกไหมเมื่อกี้เนี่ยใจหนีไปนะขออาจารย์รู้สึกร่างกายไปด้วยน ะ, ยะเอากายมาช่วยนิดนึงดูจิตอย่างเดียวไม่ไห ว, วต้องดูกายด้ว ย, วยรู้สึกไหมใจเราช่างสงสัย เก่งมากเลยเจ้าค่ะนั่นแหละให้ดูไปเวลาใจมันสงสัยขึ้นมาก็รู้ใจมันโกรธขึ้นมาก็รู้รู้จักใจลอยไหมรู้จักเค่ะนั่นแหละปล่อยให้ใจลอยบ่อยๆไม่ใช่ฝึกไม่ให้ลอยนะแต่ให้ลอยบ่อยๆลอยแล้วรีบรู้ลอยแล้วก็รู้ลอยแล้วก็รู้อย่างตอนเนี้ลอยไปแล้วแค่แอบไปคิดมีไปคิดนิดเดียวนะเรียกว่าใจลอยรู้สึกไหมบังคับไว้รู้สึกเจ้ค่ะอย่าบังคับเจ้าค่ะและบังคับแล้วผิดธรรมชาติ ให้รู้ตามความเป็นจริงเพราะฉะั้นไม่บังคับรู้จักใจลอยอยังที่ทลอยไปบบที่แบบนีี่กลับเรียนว่ารู้จักความจริงไม่รู้จักรู้สึกไหมเมื่อ <laughs> กี้พอท่านบอกว่าลอยหามไม่เจอจ้ะค่ะเนี่ยตอนนี้กับต่เกียบไม่เหมือนกันแล้วรู้สึกไหมจิต ใ, ใจมันจะเริ่มตื่นขึ้นมาแล้วตอนนี้แอบไปคิดอีกแล้วรู้สึกไหมไปคิดทบทวน <c oughs> ใช่ค่ะนะให้รู้ทันเวลาจิตหนีไปคิดจิตไปคิดทบทวนสิ่งที่หลวงพ่อพูดเพื่อรู้ทันว่าไปคิดละ เนี่ยไปละไปละรู้สึกไหมกระดึบ๊บกระดึบ๊บกระดึบ๊บยังไม่ค่อยทันเจ้าค่ะไม่ต้องทันให้ดูตามหลังเนานะตอนบ่ายไปเรียนกับอาจารย์สุรวัตรหรือปะไปบ้านอารีป่ะตอนบ่ายอ๋องั้นแค่นี้พอละอา้าวอาจารย์นครสวรรค์คนต่อไปได้กี่คนละเอาหมดแล้วใช่ไหมที่เหลือไม่ถามรู้แจ้งแทงตลอดครับก็ขอนาัสกันหลวงพ่อครับ เพิ่งมาครั้งแรกนะแล้วก็ยังไม่รู้จะถามอะไรครับคือจริงๆไม่ต้องถามมากนะอาจารย์ความรู้สึกอะไรกำลังมีอยู่ในขณะนี้เรารู้ไปเรื่อยๆวิธีที่อาตมาทาสมัยน้นทำงานอยู่รับราชการด<ม>ูใจของเราตั้งแต่ตื่นจนหลับยกเว้นเวลาที่ทำงานที่ต้องคิดอย่างตื่นขึ้นมานะมันนึกได้ว่าวันนี้วันจันทร์เนี่ยใจแห้งแล้งเลยล้วก็รู้ทันว่าใจแห้งแล้ง พอนึกได้ว่าวันนี้วันศุกร์ใจสดชื่นรู้ว่าวันนี้สดชื่นดูลงไปอย่างนี้จะกินข้าวนะเห็นของชอบมันดีใจเห็นของไม่ชอบมันไม่พอใจนี่ดูไปอย่างนี้จะไปขึ้นรถนะรถติดมากเลยกลุ้มใจรู้ว่ากลุ้มใจวันนี้รถไม่ติดเลยดีใจรู้ว่าดีใจนี่ดูอย่างนี้ดูไปเรื่อยๆใช้เวลาไม่นานเลยในการทำความเข้าใจจิตตนเองถึงวันหนึ่งนะภาณนาอยู่7เดือนทั้งนั้นก็เห็นเลยจิตที่เราบังคับมันไม่ได้ มันจะสุขหรือมันจะทุกข์มันจะดีหรือมันจะชั่วมันทํางานของมันเองจิตนี้มันไม่ใช่ตัวเราหรอกนั้นเราพยายามภาวนาไปนะคอยสังเกตใจของเราใจเรามีความสุขก็รู้ใจเราเป็นทุกข์ก็รู้ใจเราเฉยๆก็รู้ใจเราฟุ้งซ่านก็รู้ใจเราหดหู่ก็รู้ใจเราโลภโกรธหลงก็รู้คอยรู้ไปเรื่อยๆไม่ห้ามนะให้แค่รู้เฉยๆให้โกรธไปก่อนเรารู้ว่าโกรธให้โลภไปก่อนเรารู้ว่าโลภให้หลงไปก่อนเรารู้ว่าหลงเป็นการตามดู ไม่ใช่หลงไปรู้ไปเป็นไปไม่ได้อย่างตอนนี้อาจารย์ไปคิดแล้วซ้ำไห ม, มฟังอาตมาพูดอาจารย์สังเกตไหมฟังไปคิดไปใช่ครับต่อไปนี้ให้กันบ้านอาจารย์นะเวลาอาจารย์คุยกับใครก็ตามอาจารย์คอยสังเกตไว้ว่าเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็ฟั ง, ฟงเดี๋ยวก็คิดอี่ยงตอนนี้คิดละรู้ออกไหมใช่ครับอาจารย์สังเกตไหมจิตอาจารย์เริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันเริ่มตื่นตัวเริ่มมีความสุขขึ้นมาตอนนี้แอบไปคิดอีกแล้วซ้ำไหม ให้กันบ้านแล้วนะอ้าวให้คนอื่นต่อดูไปหนะ้าประจิตหลงไปคิดแล้วรู้จิตหลงไปคิดแล้วรู้อาจารย์จะตื่นขึ้นมาขณะนี้ยสภาวะที่อาจารย์เป็นตอนนี้เรียกว่าจิตมันตื่นขึ้นมาแล้วจิตเขาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้สึกไหมเขาเบิกบานครับนจิตที่ภาวนาแล้วงุดงๆศงุศงุศ ง, งนั่นเปนจิตอากุศลอี่าตอนนี้แอบไปคิตอีกแล้วทราบไหม <c oughs> โอ้หัวร้อมันมากเลย <c oughs> อาให้คนอื่นต่อไปได้อีกสองสามท่านนะถาวนครสวรรค์เดี๋ยวแบ่งให้คนอื่นบ้างการนะิมมสการหลวงพ่อนะคะก็เพิ่งมาครั้งแรกนะคะแป๊บหนึ่งนะนแป๊บหนึ่งอาจารย์ที่ส่งกันบ้านเสร็จใจลอยไปอีกแล้วสงสัยแล้วรู้ไหมว่าสงสัยจิตเกิดความสงสัยให้รู้ทันว่าสงสัยนะจิตแอบไปคิดรู้ว่าจิตไปคิด ตอนนี้จิตติเกะอยู่ในโลกของความคิดแล้วไม่ยอมดูดออกมาเลยไม่ยอมหัวเลาะเนี่ยจำไว้นะจิตที่ตื่นะอยู่ตรงนี้ไม่ใช่จิตที่ซึมๆอย่างตะกี้อ่ะก่อนก่อนที่จะมาตรงนี้ก็ฟังซีดีแล้วก็ลองฝึกตัวเองก็สามารถทําได้ระยะหนึ่งแล้วมันก็ลอยไปแต่แต่จุดประสงค์ตรงตรงนี้ที่มาก็คือ ที่หลวงพ่อบอกเมื่อเช้าว่าเราจะสอนเด็กสมาธิตรงนี้ได้ยังไงก็ถ้าสอนแค่สมาธินะสอนให้ให้รู้ว่าเขาเขาเกิดอารมณ์อะไรก็ให้เขารู้ว่าตรงนั้นพอพอเขารู้ว่าตรงนั้นเกิดอารมณ์อะไรแล้วเราจะสอนอะไรเขาต่อละคะธรรมะจะสอนเขาเองหน้าที่ของเราแค่บอกทางให้เขาเจริญสติเท่านั้นเอง เมื่อเขาจเจริญสติได้แล้วนะเขารู้ทันจิตรู้ทันใจตัวเองแล้วเนี่ยที่เหลือธรรมะจะสอนเขาเองเราทำได้แค่บอกทางให้เราไม่ต้องไปสอนวิชาความรู้ทางธรรมะให้เขาธรรมะเป็นสิ่งที่สอนกันไม่ได้สิ่งที่บอกกันได้คือวิธีปฏิบัติเท่านะั้นวิธีมีสติรู้กายวิธีมีสติรู้ใจนะขนาดพระพุทธเจ้าท่านยังบอกว่าท่านเป็นแค่ผู้บอกทางใช่ไท่านไม่ใช่ผู้สอนธรรมะนะท่านเป็นผู้บอกทาง พท่านบอกทางมาให้เราจเจริญวิปั ส, สนาเนี่ยเราภาวนาไปตามไปทาวิปั ส, สนาไปเราก็จะเข้าใจธรรมะด้วยตัวเองงั้นธรรมะเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่อาจารย์จะไปป้อนให้ลูกศิษย์ลูกศิษย์จะต้องเกิดธรรมะขึ้นด้วยตัวของเขาเองสิ่งที่เราไปสอนเขาก็คืออย่าใจลอยนะใจลอยแล้วรู้นะโลภแล้วรู้นะโกรธแล้วรู้นะให้เขาหัดรู้ตรงนี้เรื่อยๆ การที่เขาหัดรู้สภาวะที่กำลังปรากฏสดๆร้อนๆไปเรื่อยๆนี่แหละที่เรียกว่าการทำสติปัฏฐานนะมีสติรู้กายมีสติรู้ใจทาไปเรื่อยๆเส้นทางเดินของพระอริยะทุกองค์ก็เดินเป็นทางนี้นะและแล้วถ้าเด็กเขาาซักเราถามเราเราก็ไม่ตอบเขาหรอคถ้าเด็กซั ก, กเนี่ยนะเอาซีดีหลวงพ่อไปให้ฟัง <laughs> จำไว้น้ำไม้ตายของคนที่มาเรียนกับหลวงพ่อแล้วไปสอนต่อขอบคุณคนะ่ะเวลาเขาถามนะเอาซีดีไปฟังรับรองว่ามีทุกคําตอบแตตื่นตอนเชา้าทุกเช้าจะต้องสวดมนต์ไหว้พระค่ะทีนี้ในขณะที่สวดมนต์บางครั้งคือได้ฟังซีดีหลวงพ่อบอกให้ดูจิตแต่ในขณะสวดมนต์บางครั้งก็ฟุ้งซ่านนะคะเลยไม่รู้เอ๊ะเราจะไปดูตรงไหนจะไปนั่นไงอเอาจีบงไปอาจารย์รู้ว่าฟุงา้งซ่านนั่นแหละดูจิตเรียบร้อยแล้ว Okay. จิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านเห็นไหมพระพุทธเจ้าสอนนะดูคราฟิกสูทั้งหลายเมื่อจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านวันอาจารย์สวดมนต์อยู่แล้วจิตฟุ้งซ่านอาจารย์รู้ว่าจิตมันฟุ้งซ่านไม่ใช่เราฟุ้งซ่านนะจิตมันฟุ้งซ่านเวลามันโกรธก็ไม่ใช่เราโกรธแต่จิตมันเป็นคนโกรธเราเป็นแค่คนดูเราเห็นว่าจิตมันโกรธเราเห็นว่าจิตมันฟุ้งซ่านแล้วเป็นคนดูสบายสบายแล้วทํายังไงจะไม่ฟุ้งซ่านล่ะค่ะ ต้องเป็นพระอนาคามีนะไม่มีทางที่จะไม่ฟุ้งซ่านเมื่อครั้งที่แล้วส่งกันบ้านหลวงพ่อไปครั้งหนึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่สองอครั้งแรกหลวงพ่อบอกว่ายังแข็งแข็งอยู่ไม่ทราบว่าครั้งนี้อ้าวเยอะแล้วอาจารย์รู้สึกไงอะแข็งเหมือนเดิมไหมล่ะรู้สึกว่าตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นอาจารย์รู้สึกไหมไม่แข็งเหมือนเดิมะล้วใจไม่ได้แข็งนะแข็งทื่อๆนะแข็งแขงทื่อๆใช้ไม่ได้หรอกใจของอาจารย์เริ่มแกว่งไปแกว่งมาเรื่อยๆรู้สึกไหม S <S 1> <S 1> <S ฟุ้งซ่านเรื่อยๆรู้สึกไหม <Okay. S 2> นั่นแหละดีแล้วการที่จิตมันฟุ้งซ่านก็คือจิตมันแสดงไตรลักษณ์ให้ดูตลอดเวลามันทํางานอยู่เรื่อยๆหน้าที่เราก็แค่ตามดูมันไปเราจะเห็นเลยจิตจะฟุ้งซ่านก็ห้ามมันไม่ได้จิตจะเป็นอะไรก็ห้ามมันไม่ได้จิตไม่ใช่เราเหรอกจิตทํางานของมันเองอาจารย์ดูเพื่อให้เห็นสิ่งนี้ไม่ใช่ดูเพื่อให้สงบนะคอนเซปต์เก่าของอาจารย์เนี่ยมุ่งเอาสุขเอาสงบเอาดีนะ นี่เราภาวนาเราเอาวิปัสนาวิปัสนาไม่ได้มุ่งที่ความสุขความสงบความดีแต่มุ่งให้เห็นความจริงว่ากายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่ตัวเราดังนะนั้นมุ่งเอาตรงนี้เพราะงั้นเราเห็นมันทํางานเองมันไม่ใช่เราหรอกอย่างตอนนี้อาจารย์ใจลอยไปคิดแล้วทราบไหมทราบค่ะเห็นไหมมันไปคิดเองไม่ได้เชิญเลยนั่นดูไปอย่างนี้นะเราจึงเห็นว่ามันทํางานได้เอง<ร>อเอาตอไปต่อไปได้อีกหนึ่งท่านเอานคะรสวรรค์ต่อไปก็ให้คนอื่นบ้างมีไหมหรือไม่เอาแล้ว อนนอนอยู่ข้างหลังยกมือข้างหลังกับนรัต ก, การพระอาจารย์นะคะมาเป็นครั้งแรกนะคะก็เคยฟังเทปของพระอาจารย์เดิมนี่จะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสติแล้วก็จะมีจิตเศร้าหมองโดยไม่มีสาเหตุนะคะหลังจากฟังธรรมะแล้วก็พยายามพิจารณากายแล้วก็ใจของตัวเองบ่อยๆพอหลังๆนี่ก็รู้สึกว่า เหมือนมีสติขึ้นเยอะอเลยอะคะอ่ะแล้วก็มีความสุขโดยที่ไม่รู้สาเหตุ m. ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะมีความสุขรู้ว่ามีความสุขเท่านั้นก็พอะละตอนนี้จะเรียนถามว่าอย่างวันนี้ที่มาเนี่ยนะคะตอนที่นั่งมาในรถเนี่ยก็เปิดซีดีของพระอาจารย์นะคะเสร็จแล้วช่วงที่ฟังเนี่ยก็เคิม เคิมเหมือนหลับปะนะคะตอนนี้ทุกครั้งเนี่ยที่ตัวเองเป็นเนี่ยเวลากลางคืนนอนพอเคิมหลับเนี่ยจะมีภาพจะมีภาพพุบๆมาเยอะเลย哈แต่พอครั้งนี้เนี่ยนะคะมีภาพมาเสร็จก็เห็นเห็นตัวเองอะนะคะฟังเทปของอาจารย์แล้วก็มีเสียงในขณะเดียวกันก็เห็นภาพที่ไหลไหลไไหลมาอยากเรียนเรียนถามว่าอาการอย่างนี้เนี่ยเป็นเรามีสติขึ้นมานะ จิตมันทำงานเราก็รู้สึกมันตุงภาพขึ้นมาเราก็รู้เห็นไมมันทำงานเองภาพมันก็เกิดเองรู้ไหมใครที่คิดแล้วไม่มีภาพใครที่คิดแล้วไม่มีภาพพระอรหันต์โอ้ตอบถูกค่ะแล้วก็จะเรียนมที่มาถามอันนี้นะคือดังตรินมีวันหนึ่งดังตรินมาบอกหลวงพ่อ ผมรู้แล้วพระระหันต่าง ก, กับคนที่ไม่ใช่พระระหันตรงไหนพระระหันคิดละว่างเปล่าคนที่ไม่ใช่พระละหันและคิดแล้วมีสร้างอิมเมจขึ้นมาแล้วก็จะเรียนถามว่าเรื่องการปรุงแต่งนะคะอย่างกรณีถ้าเราเกิดจิตเราปรุงแต่งเนี่ยนะคะเราก็ดูใช่ไหมคะมดูเขาปรุงแต่งตอนนี้ถ้าเขาปรุงแต่งไปไม่หยุดอย่างเนี้ค่ะเร า, เราไม่ได้ฝึกเพื่อไม่ให้ปรุงแต่ง ขันห้ามีธรรมชาติปรุงแต่งเรียกว่าสังคตะธรรมเขาเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งเราไม่ได้ฝึกเพื่อไปดัดแปลงธรรมชาติธรรมดาของเขาหน้าที่เราก็คือเห็นเขาปรุงแต่งเราอย่าไปปรุงแต่งเขาอ๋อค่ะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเขาก็ปรุงแต่งไม่หยุดอย่างเงี้ยเราก็ดูไปเรื่อยๆโอดูไปเรื่อยๆเลยดูเขาปรุงแต่งแล้ววันนึงใจเขาปิ๊งขึ้นมา เออมันไม่ใช่ตัวเราฮะมันปรุงแต่งได้เองแต่นูก็สังเกตว่าไม่ใช่ตัวเราก็ก็เอาตัวรู้ไปบอกเขาอะค่ะว่าเออปรุงแต่งอยู่ได้เนีนั่นไม่สําคัญนะอ๋อไม่สำคัญใจถึงไหมใจถึงพอที่จะเรียนธรรมะที่เผ็ดร้อนแต่มีประโยชน์มากๆไหมถึงไหมกล้าพอไหมกล้าค่ะจะโมโหลวงพ่อไหมไม่ค่ะนะเราเรียนกันด้วยความซื่อๆนะจริงใจต่อกันรู้สึกไหมขณะนี้เราก็ปรุงแต่ง เราทําให้ดูเรียบร้อยกว่าความเป็นจริงรู้สึกไหมใช่ค่ะและใจจะเต้นนั่นแหล ะ, ะเราเร า, เราปลอมตัวมาคุยกับหลวงพ่อแล้วอ๋อเหรอค ะ, อะอรู้สึกไหมเราเรียบร้อยกว่าความเป็นจริงขณะนี้กระทั่งสุ่มเสียงของเราก็ไม่ใช่เสียงตามธรรมชาติเดิมอ๋อค่ ะ, ะกิริยาท่าทางหน้าตาวิธีพูดเนี่ยเราดัดแปลงทุกอย่างเลยค่ะยมรู้ลงไปรู้ลงไปจนกระทั่งอของปลอมเนี่ยหลุดไปหมดเลยเหลือแต่ตัวจริง เนี่ยตัวจริงเริ่มโฟล์แล้วรู้สึกไหมร้ายกว่าที่คิดเห็นไหม <c oughs> ค่ะโอ้และอย่างนี้นนใจตัวจริงใช่อย่างนี้แหละมันต้องอย่างนี้สิมันถึงจะนับปฏิบัติเหมทีมาทำเรียบร้อยอย่างนี้มันของปลอมจริงจริงเนี่ยเคยฟังเทปของพระอาจารย์พูดก็ยังเล่าให้กับเพื่อนฟังว่าโอ้เนี่ยมหาพระอาจารย์น่ากลัวนะเพราะว่าเดี๋ยวเกิดว่าแบบ ดัจดจริตขึ้นมาอย่างเงี้พระอาจารย์จะว่าตรงๆไม่ว่าตรงๆเห็นไหมแต่<อ>ว่าจะ ม, มาถามความสมัครใจก่อนใช่ๆช่ใช่ใช <c oughs> แต่ว่าแบบก็คือคนเยอะๆอนะคะ <c oughs> ก็ไม่กล้าที่จะมาแสดงอะไร <c oughs> แบบอาจจะเป็นแม่คือแต่ละคนเนี่ยจะ <c oughs> ต้อง protect self ไว้ค่ะ มันตัวนี้เองอ่ะที่ปกป้องที่กีดกั้นเอาไว้จากน้ำมันวันนี้ก็เห็นตัวเองนะคะคือตัวเองแวะไปที่ปั๊มน้ํามันเพื่อเข้าห้องน้ําอ่ะนะคะก็มีคนหนึ่งเนี่ยเขาสลัดผมสลัดพุบเนี่ยบาโดนแบบแถวแถวหน้าตอนนั้นก็ก็รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยเกิดอัตราขึ้นมาเลยว่าออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกตัวเองเออเนี่ยเกิดอัตราพูดคนละสปีดแล้วนะนี่มันต้องอย่างนี้ออื ดีมากเลยนะที่ภาวนาน ใ, ชใช้ได้เลยนะแล้วก็คือก็ฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆร<ช>มีอะไรที่จะต้องแก้ไขไหมคะรู้ก็ตามความเป็นจริงคืออย่าไปดัดแปลงมันค่ะมันดีก็รู้มันร้ายก็รู้แค่ถือศีลห้าไว้ถือสินห้าค่ะถือสินห้านะแล้วก็ส่วนใจเราเนี่ยดีก็รู้ร้ายก็รู้ไปอย่าไปดัดแปลงมันถือสินห้านี่อย่างเรื่องพูดปดนี่อาจจะ อย่างมาเอ า, เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ถือเท่าที่ถือได้อย่างมาที่วัดเนี่ยนะคะก็ไม่กล้าบอกทางบ้านอย่างเงี้ยค่ ะ, ะถือว่าปลดไหมค ะ, ะ, ะมันมีคำอยู่อีกคำนะเรียกว่ากูสโลบายกูสโลบายไม่ใช่พูดเท็จแต่อาจจะพูดจริงไม่หมดอ๋อค่ะนะค่ะอย่างที่ท่านทาษาริบุตรอะนะท่านาราลิบุตรถามเพชคาตว่าที่โยมไปตัดหัวคนอนะ ยมอยากตัดหรือพระราชาสั่งให้ตัดท่านหลอ ก, กลมีกุศโลบายนีย่ถามว่าท่านพูดเท็จไหมก็ไม่ได้พูดเท็จท่านถามเฉยๆท่านไม่ได้พูดเท็จเลยเห็นไหมอิตานั่นคิดเอาเองว่าเออพระราชาสั่งเพราะงั้นเราไม่บาปเสร็จแล้วต่นั่นสบายใจฟังธรรมะได้พระโสดาบันเห็นไหมท่านเกื้อกูลให้คนนี้ได้สโสดาบันโดยใช้สิ่งที่เรียกว่ากุสโลบายท่านไม่ได้พูดเท็จสักคาเลยท่านไม่ได้บอกเลยว่าที่โยมไปตัดหัวเขานั้นไม่บาปนะ ทำใจให้สบายเถอะมาฟังธรรมะไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยงั้นโยมต้องแยกให้เป็นนะกูสโลบายนะใช้ได้มู่สาวาดใช้ไม่ได้จะให้หลวงพ่อยืนยันว่ามู่สาวาดบางโอกาสก็ใช้ได้ก็ใช้ไม่ได้นั่นแหละค่ะค่ะขอบพระคุณครัอาต่อไปเชิญยกมือโอ้ยกเยอะน้อยคนามนิมิการหลวงพ่อครับไหนมันไปอยู่ไหนละเอาว่าไปเอ่อ ผมจิตมันเละทั้งวันเลยอะครับมันเป็นไรนะมันเละมันฟุงซ่านนะครับฟุงซ่านเหรอฟุงซ่านแล้วทํำยังไงก็รู้ว่าฟุงซ่านครับใจไม่ชอบรู้ไหมดูไม่ตลอดเห็นไหมเราเห็นแค่มันไม่ฟุงซ่านแต่เราไม่เห็นความรําคาญใจของเราเราไม่ชอบมันนะใจเราไม่เป็นกลางกับมันครับแล้วพฤติกรรมในชีวิตมีอะไรต้องปรับไหมครับพฤติกรรมนะถือศีล5้าไว้แล้วก็ไม่ต้องปรับอะแต่ว่าพอใจมันฟุงซ่านแล้วเราไม่ชอบให้รู้ว่าไม่ชอบ การภาวนามันมีสองสเต็ปนะสเต็ปแรกสภาวะใดๆเกิดขึ้นให้รู้ทันสเต็ปที่2พอรู้ทันสภาวะแล้วนะหากมีความยินดียินร้ายเกิดขึ้นเช่นจิตเราโกรธขึ้นมาแล้วเราไม่ชอบที่จะโกรธเงี้ยให้รู้ทันความยินดียินร้ายที่เกิดขึ้นนั้นความยินดียินร้ายจะสลายตัวไปจิตจะเป็นกลางให้รู้สภาวะทั้งหลายด้วยจิตที่เป็นกลางต่อไปครับขอบคุณครับส่งไปข้างหลังข้างหลังเบอร์27 นำ้ำมัสการหลวงพ่อคะ่ะมาครั้งที่สองออส่งกันบ้างครั้งที่สองเ<ช>จา้าค่ะใจถึงไหมใช่ถึงไหม <laughs> รู้<ะ>ค่ะว่าตอนนี้ตัวเปล่าพยายามพยายามแอรให้เรียบรอยอ้อยเจ้าค่ะเอาตัวจริงมาคุยกันดีเป่ามันจริงใจดีเ <laughs> จ้าค่ะ <laughs> <laughs> คื อ, อะจะจะส่งสภาวะที่ผ่านมาเมื่อตอนต้นอาทิตย์นะคะว่าคือระหว่างที่นั่งสมาธิเนี่ยรู้สึกว่า มันมีความอยากบางๆที่อยากจะให้ใจไปสงบอ่ะเจ้ค่ะทีนี้พอไปรู้เหมือนกับว่าไปรู้จิตไปรู้ตัวอยากเนี่ยมันก็มันก็หายไปเลยคือมันจะเหมือนกับว่าทุกอย่างมันจะโล่งสว่างแล้วก็แบบว่าจิตมันเหมือนว่าค่อนข้างจะเป็นอิสระนั่นแหละจิตมันตื่นขึ้นมาเจ้าค่ะแล้วก็ทีนี้มันมีความรู้สึกว่าสิ่งที่คือเหมือนกับตัวรู้เขาจะบอกว่าอยากจะไปสงบทาไมในเมื่อ ทุกอย่างจะทุกหรือสุขหรือเฉยๆมันก็คือหนึ่งสภาวะที่จิตแค่ไปรับรู้ก็เลยอยากจะถามหลวงพ่อว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เข้าใจถูกต้องหรือเปล่าเจ้าคะ่ะเข้าใจถูกนะแต่เราไปบังคับเขาไม่ได้เจ้าคะ <consulting. S 1> ่ะเขาเป็นยังไงก็าตามดูไปเรื่อยๆวันหนึ่งมันก็ปิ๊งขึ้นมาว่าไม่ใช่ตัวเราเหรอกมันทํางานได้เองอ๋อเจ้าค่ะนั้นที่เห็นแล้วจิตมันตัดขึ้นมาแล้วก็สว่างขึ้นมาก็ถูกต้องแล้วแต่อย่าอยากให้มันเกิดขึ้นตลอดเวลาเจ้าค่ะถ้าอยากขึ้นก็ของปลอมอีกละ มันก็จะเสื่อมลงคือคือหลังจากออกมาจากตรงนี้ยมันจะมีความรู้สึกเหมือนแบบอะไรอะไรมันก็จะแบบแค่สภาวะหนึ่งสภาวะหนึ่งมันจะเหมือนกับว่ามันไม่ได้มีตัวเราไม่ได้มีอะไรมันเหมือนกับแค่จิตไปรู้หนึ่งมันแบบเวลาเราอยากไปกินอะไรอร่อยเนี้ยมันจะไม่อร่อยสุดเหมือนที่เราเคยกินแล้วมันจะเหมือนกับเอ้มันก็แค่สภาวะหนึ่งแต่ว่ามันก็หลังจากนั้นมันก็ค่อยๆเสื่อมลงอะนะคะนะะก็จะเสื่อมเสื่อมก็เรื่องธรรมดา สิ่งใดเจริญได้สิ่งนั้นก็เสื่อมได้อคะต้องนิพพานนะพ้นจากเจริญและเสื่อมเพรานิพพานมันก็เจริญกว่านิพพานไปไม่ได้แล้อแล้วก็หลังจากนั้นก็จะช่วงนี้ก็จะมีความรู้สึกเหมือนตัวเองพยายามฟอรสบังคับตัวเองให้ให้ปฏิบัติอย่างเงี้ยมาเจอเหมือนปฏิบัตินะแต่อย่าบังคับตัวเอ ง, งอาทรงม า, าข้างหน้านี้เบอร์อะไรล่ะเนี่ยชูบเบอร์ไว้เดี๋ยวจะชูแต่มือไม่รู้ร้อยบสองนะ แล้วที่ใส่แว่นตานั้นเบอร์อะไรอาห้าสองไปก่อนอยู่ใกล้ห้าสิบสองนะแล้วมา112ร้อยสิบสองนับนวัตสกานะครับหลวงพ่อครับก็ดูจิตมาได้สามเดือนนะครับครั้งแรกที่มาเดือนแรกก็หลวงพ่อไปดูเกิดดับนะครับก็สองเดือนแรกก็ดูได้ครับพอมาเดือนที่สามนี้ไปติดเพ่งนะครับผมตอนนี้ก็ยังนี่เพอเราเห็นสภาวะเป็นนะแต่เดิมเราไม่รู้จักสภาวะเราไม่ได้เจตนาจะดูเราก็เห็นสภาวะเกิดดับได้ พอเราดูเป็นแล้วเราเลยตั้งใจดูกลายเป็นจ้องเอาไว้กลายเป็นเพ่งนะเราก็อย่าไปเพ่งสิครับผมว่าตอนนี้ก็ดูมันเพ่งไปเะครับดูมันเพ่งนะล้วใจไม่ชอบให้รู้ว่าไม่ชอบคุณดูไม่ถึงใจเห็นไหมแค่เห็นแค่เพ่งแต่ไม่เห็นใจที่ไม่ชอ บ, บนะดูลงมาจนใจเป็นกลางกับทุกอย่างพวกเราจำไว้นะพวกเราทุกคนนะบางคนไม่ได้ส่งกันบ้านหลักของการปฏิบัตินะัคือรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่เป็นกลางไปเรื่อยๆนะ รู้กายรู้ใจด้วยจิตใจที่เป็นกลางไม่ได้ยินดีไม่ได้ยินร้ายถ้ายินดียินร้ายขึ้นมาก็รู้ทันจิตจะเป็นกลางขึ้นมาแล้วก็รู้กายรู้ใจต่อไปถ้ารู้ด้วยจิตที่เป็นกลางนะั้นไม่มีปัญหาและการปฏิบัติง่ายน ะ, ะส่งมาร้อยสิยกมือก็นนะครับผมนะแล้วผมใช้วิหารธรรมนี้ดูลงหายใจนี้ได้ไหครับผมไ ม, ไม่ดีแล้วตอนนี้ดูจนซึมไปแล้วใช่ครับผมนะแล้วเวลา ไ, วไปเดิน เวลาก่อนที่จะนอนครับก็นอนดูลงหายใจแล้วเวลามันเคิมจะฝันมันสติมันจะตัดตลอดนะครับมันก็ไม่นอนไม่ค่อยหลับแต่บางทีร่างกายหลับนะครัแต่จิตไม่หลับะไม่เป็นไรเพราะจิตมันไม่ต้เหน็ดเหนื่อยอะไรครับเดี๋ยวขอโอกาสพอวันนี้พาแฟนมาครับเสื้อเหลืองครับวันเกิดแฟนวันนี้ครับเอาไหนวันเกิดนี่ครับอะไรเพิ่งเกิดเหรอเกิดวันนี้ครับตัวอกโต้หลวงพ่อมีอะไรจะแนะนําแฟนไหมครับตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นไป หช่ไหมมีความสุขก็รู้ว่ามีความสุขไปมีอะไรเกิดขึ้นในใจก็รู้ไปคนที่ฉลาดมากเลยนะพาแฟนมาเข้าวัดเนี่ยถ้าต่างคนต่างภาวนาเป็นนะชีวิตจะครอบครัวจะมีความสุขที่สุดเลยส่งมาร้อยสิบยกมือไว้คนอื่นอย่าเพิ่งยกร้อยสิบแล้วก็ไปร้อยเกเวลามาเรียนนะบางคนกลัวว่าหลวงพ่อจะเรียกส่งกันบ้าน ต่อไปนี้เอาใหม่ถ้าใครไม่มีป้ายนะไม่เรียกดีไหมวันนี้ไม่อยากส่งอ่ไม่หยิบป้ายวันนี้อยากส่งก็คอยชูป้ายไว้อ่วาวไป1้2สิบสองยากให้หลวงพ่อช่ว ย, ยติหน่อยอะคะ่ะให้ติเหรอแล้วทำไมวันนี้ไปทำอะไรมาซึมกระตือฮนิดนึงครับเออเห็นกิเลสเยอะคะ่ะช่วงนี้ทั้งโมงเห็นกิเลสไม่เป็นไรอย่าไปเกลียดเขาของคุณพอเห็นกิเลสแล้วเกลียดด้วย หนูเห็นเหมือนพ่อหนูเห็นกิเลสอะคะ่ะหนูเห็นมันไม่ใช่ตัวเราแต่พอมัน ม, มีความคิดขึ้นมาปุ๊บจิตมันไปยึดปุ๊บหนูจะเห็นความเป็นตัวเราขึ้นมาท<ม>ันทีอะคะ่ะนั่นแหละภาวนาดีแล้วหนูก็จะเห็นมันเหมือนกับทึบๆมีเหมือน<ม><ม>อะไรคร อ, อบอยู่อะคะ่ะไม่ท<ร>ึ บ, บๆเนี่ยนะเพราะว่าใจเราอะไม่เป็นกลางจริง<า>เราปฏิเสธสภาวะเรากลัวกิเลสมากไปจนกระทั่งเราบล็อกตัวเองไว้ขณะเนี้จิตมันบล็อกตัวเองอยู่นะรู้สึกไหมทึบๆ มันเหมือนกับมีอะไรครอบ อ, อยู่อะคะ่ะทำํำใจสบายแล้วลืมการปฏิบัติซะหมกมุ่นในการปฏิบัติมากเกินไปใช้ชีวิตที่ธรรมดาธรรมดามีศีลหไว้ใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาแล้วจิตเคลื่อนไหวก็รู้ว่าเคลื่อนไหวอันนี้ดูดูแรงไปดูมากไปค่ะอยากรู้ให้ชัดเกินไปจนกระทั่งกลายเป็นปิดจ้องไหมบางทีรู้ตัวว่าอยากค่ะ บ, บางทีไม่รู้ตัวเลยเออถ้าเพราะว่าอยากแหละมันเลยไปบล็อกไว้ <นะ S 1> ขอบคุณค่ะ เอาร้อยเก้าแล้วนี่เบอร์อะไรสี่สิบห้านะเบอร์เจ็ดเบอร์สิบห้าเบอร์ 6, 6, 4, 2, นะ 5, หกหก็สี่สองร้อยสี่ห้าเหรอไอ้ที่เรียกแล้วจำเอาเองนะหลวงพ่อลืมหมดแล้วอา้าวร้อยเก้าก็รู้สึกสบายๆครับแต่เมื่อกี้ก็มีมีคุุๆเมื่อกี้ดีกว่านี้นะตอนนี้บล็อกล็อกเอาไว้แล้วับนะไม่เป็นธรรมดารู้สึกเปล่าครับคุณครับอามาสี่สิบสองร้อยสี่สิบห้า 6 6 7กเจ็บนะ 4, 2, 4, 2, ว่าไปกบาบนมัสการหลวงพ่อคะ่ะคนนี้หรือเปล่าตันหยงใช่ป่ะใช่ค่ะอ๋อใช่นะก็มีการบ้านมาส่งหลวงพ่อสองข้อนะคะข้อแรกก็คือว่าถ้าเกิดคอยใสย่หมั่นใส่ใจคอยตามรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในใจความทุกข์ที่เกิดจากการปรุงแต่งมันก็สั้นลงเพราะว่า เ, เ, รเราไม่ไปช่วยมั น, นปรุงใช่แล้วก็มันก็เหมือนกับจบเป็นตอนตอนไปบางครั้งมันก็มีความว่างมาขั้นแต่บางครั้งมันก็แต่เราไม่ เ, เอาความว่างนั้นนะบางคนพลาดพอมีความว่างมาขั้นแล้วจับอยู่ในความว่างเลยตัวนั้นไปติดความว่างคะเดินวิปัสสนาไม่ได้ ค่ะถ้าเราไปหลงปรุงแต่งมันก็เป็นจริงเป็นจังใช่แล้วตอนเนี้ยยินแล้วรู้สึกไหมรู้ค่ะว่า<ะ>อยากพูดเอาให้รู้ไปแล้วก็พูดต่อแล้วก็ข้อที่2ก็คือเห็นว่าความสุขในทางโรคเนี่ยมันเกิดเพียงในช่วงเวลาสั้นๆ<ม>แต่มันใช้ความเพียรในทางโรคค่อนข้างยาวนานกว่า<ม>ที่จะได้ความสุขตรงนั้นแล้วมันก็หมดไปเสร็จแล้วใจของเราเนี่ยก็มีความอยากเกิดขึ้นมาอีกเพื่อที่จะ เอาอะไรอย่างอื่นแล้วมันก็ไม่เคยสิ้นสุดเลย<ช>แต่ถ้าเกิดเหมือนที่หลวงพ่อเคยเทศว่าเรามีความสุขเพราะพึ่งสิ่งภายนอกแต่ถ้าเกิดเราคอยหมั่นสังเกตในใจมากขึ้นมันก็เหมือนกับเราเหมือนกับเราจะมีความสุขแบบพอเพียงมากขึ้นนะคะชก็เลยว่าพัฒนาไปนะที่ทําอยู่ดีขึ้นเยอะแล้วรู้สึกไม่เป็นธรรมชาติมากขึ้นนะประคองสั้นประคองน้อยลง นะที่ประคองนี่เพราะว่ากลัวส่วนใหญ่จะกลัวผิดศีลผิดศีลนะมันผิดศีลได้เพราะว่าอากุศลครอบงำจิตถ้าเรามีสติอกุศลใดๆเกิดขึ้นมาเรารู้ทันเนี่ยไม่ผิดศีลหรอกแต่ก็ถือศีลห้าเอาไว้ก่อนแล้วไม่ทราบหลวงพ่อมีคำแนะนำเพิ่มเติมยังไ ม, ไ, มไม่เป็นธรรมชาติน ะ, ะไป ร, ร, ร้อยสี่สิบห้ากลาวธรรมสกานหลวงพ่อนะคะเพิ่งมาที่นี่เป็น มาฟังธรรมเป็นครั้งแรกอะคะ่ะแล้วก็ฟังก่อนหน้านี้ฟังซีดีมาบ้างแล้วนะคะาจากคนที่สนใจธรรมะอยู่บ้างแล้วก็ไม่ค่อยได้ปฏิบัติเพราะว่านั่งสมาธิไม่เป็นนะคะก็เริ่มมาดูจิตมากขึ้นก็จะเห็นาการโกรธของตัวเองว่ามาจากเหตุผลอะไรเข้าใจมากขึ้นนะคะแล้วก็ ความสุขกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตมันก็เหมือนจะไม่ได้อยู่กับเรานานนะคะ ม, มันจะสั้นลงพ <c oughs> อทันทีที่เราเห็นไหมโลกอยู่ห่างๆตอนเนี้ย <c oughs> นะจิตเราเดินมาถึงตรงนี้เราเริ่มเห็นโลกอยู่ห่างๆแล้ <c oughs> เห็นไหมร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราอยู่ห่างๆคือเลยมีปัญหาที่อยากจะถามอะค่ะช่วงแรกๆที่ปฏิบัติตอนนั้นเนี่ยเหมือนมีความสุขมากมันมันเหมือนเข้าใจโลกมากขึ้นแล้วก็เข้าใจ คนอื่นมากขึ้นเข้าใจตัวเองมากขึ้นแต่ตอนนี้เมื่อวานที่ไปปฏิบัติอะคะ่ะนั่งสมาธิพอดีนอนไม่หลับก็เลยนั่งสมาธิอาจจะตื่นเต้นที่ได้ได้มาครั้งแรกนะคะก็ลองนั่งสมาธิดูปรากฏว่าเห็นจิตมันเขาเรียกอะไรอะคะ่ะมันเคลื่อนที่มันเดี๋ยวคิดไปเรื่องนู้นพอทันทีที่เรารู้มันก็หยุดสักพักเดี๋ยวมันก็ไปอีกอย่างค่ะนั่ง นั่งอยู่ประมาณ20สนาทีมันมันคิดหน้าดูเลยอะคะ่ะถ้าเป็นนั่งอีกสองชั่วโมงมันก็เดินอย่างงั้นแหละค่ะเพราะอะไรเพราะจิตมีธรรมชาติคิดจิตเป็นธรรมชาติรู้จริงอะแต่จิตนั่นแหละเป็นตัวคิดนึกปรุงแต่งเราจะไปห้ามจิตให้ทำลายคุณสมบัติของมันไม่ได้ค่ะพอหนูเห็นว่ามันคิดมัน หนูก็เริ่มนึกถึงที่ฟังซีดีอะค่ะที่หลวงพ่อบอกว่ามันเป็นธรรมชาติของจิตเองที่มันเป็นอย่างนั้นหนูก็เลยเห็นมันอย่างนั้นนะคะแต่รู้สึกสลดใจขึ้นมาค่ะมันเหนื่อยเพราะเห็นตามความเป็นจริงนะจึงเบื่อหน่ายชวนสลดชวนสังเวชเห็นไหมว่าจิตทำงานทั้งวันทั้งคืนเห็นไหมมันมีแต่ความทุกข์ ทุกมากเลยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันชักจะคนละเรื่องเดียวกันกับที่เราปฏิบัติช่วงแรกแล้วมันมีแต่ความสติเรายังไม่ได้เดินปัญญาเราแค่หัดรู้สึกตัวค่ะทันทีที่เรารู้สึกตัวขึ้นมาจิตมีสติขึ้นมาจิตเป็นกุศลจิตที่มีกุศลมีความสุขแต่ตอนนี้เราเลยขั้นนั้นมาละเราเริ่มถึงขั้นที่จเจริญปัญญาเราเห็น ค, ความจริงในกายในใจมีแต่ทุกข์ล้วนๆผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรม ถ้าเมื่อไรเห็นว่าจิตเป็นทุกข์รวนๆนจิตจะสลัดคืนจิตให้โลกไปปล่อยวางจิตไม่ยึดถือจิตนะก็เป็นพระอราหันต์ตรงนั้นเองแต่หลวงพ่อคะมันทุกข์แสนสาหัสจริงๆนะคะยังไม่พอ้รู้สึกไหมทุกข์ที่เห็นนะ่ยยังไม่รู้สึกว่าจะต้องตายในอีกไม่กี่ขณะข้างหน้านี้ละ ยังไม่รู้สึกคะ่ะแล้วบางครั้ง น, น ย, <ang> ยังไม่พอยังรู้สึกด้วยว่าบางทีตัวเองก็โกรธบางทีตัวเองก็อะไรเหมือนยังไม่เข้าใจ อ, อย่างแท้จริงอะคะ่ะเห็นไหมโกรธก็เกิดขึ้นเองค่ะโลภก็เกิดขึ้นเองหลงก็เกิดขึ้นเองเราไม่ยอมรับความจริงนะเราเห็นความจริงแล้วความจริงก็คือจิตนี้เป็นของบังคับไม่ได้มันโลภมันโกรธมันหลงมันฟุ้งซ่านมันหดหูมันสงบของมันเองนะเราบังคับไม่ได้แต่ใจเราไม่ยอม เราอยากเอาดีเห็นไหมใช่ค่ะมันมันเหมือนกลัวนิดนิดด้วยนะคะที่จะไม่มีตัวเองอะคะ่ะเออนั่นแหละพอเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยตอนนี้เดินมาได้ครึ่งทางของการไปสู่ความเป็นพระโสดาบันแล้วนะค่ะเมื่อเราเดินมาครึ่งทางหมายถึงพอเราเห็นความจริงเนี่ยมันจะเริ่มเกิดความรู้สึกเนี้ยบางคนกลัวค่ะสภาวะแห่งความกลัวนี่นะมันเรียกว่าพระยะตูปัฏฐานญาณมีปัญญา<ม>เกิดความกลัวขึ้นมากลัวอะไรกลัวตัวเองหายไป ยอมรับความจริงไม่ได้ว่าตัวเราหายไปแล้วตัวเราไม่มีนะให้อดทนนะดูต่อไปบางคนไม่กลัวแต่บางคนเบื่อถ้าเบื่อเขาเรียกว่ามีนิพพิทายานบางคนรู้สึกเวิ้งวางไม่มีที่พึ่งที่อาศัยนะหาอะไรเป็นแก่นสารสาระไม่ได้เลยเรียกว่ามีอาทีนวายาณยานเหล่านี้เกิดขึ้นกลางทาง ระหว่างที่เราเจริญสติพอเราเริ่มเห็นความจริงเนี่ยจิตยังยอมรับความจริงไม่ได้เราเริ่มเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีแต่จิตยังยอมรับไม่ได้ให้รู้ทันว่ามันมันกลัวขึ้นมาหรือมันเบื่อขึ้นมาหรือมันรู้สึกเวิงวางขึ้นมารู้ต่อจากความรู้สึกที่เราก็รู้เหมือนกับมันเป็นความรู้สึกชนิดหนึ่งนะรู้เหมือนที่มันเป็นตัวโกรธตัวหนึ่งตัวโลภตัวหนึ่งนั่นแหละ เห็นความกลัวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะขาดสะบั้นไปจิตจะเป็นกลางค่ะจิตจะเป็นกลางก็ดูจิตแสดงไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆร<อ>นะืรู้ไปเรื่อยๆรรู้จกนกระทั่งปัญญามันพอปัญญามันพอเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าจิตเนื้อนาะมันมีความสุขขึ้นมาก็ชั่วคราวทุกก็ชั่วคราวาโลภโกรธหลงก็ชั่วคราวอะไรๆก็ชั่วคราวแล้วก็จิตก็ทางานของเขาเองไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลย นี่คือสิ่งที่เราจะค้นพบได้จากการปฏิบัติไม่ใช่การคิดสรุปเอาเองใช่ไหมคะก็อย่างที่คุณภาวนาแล้วคุณเห็นว่าไม่มีตัวตนเนี้ไม่ใช่เกิดจากการคิดแต่เกิดจากการเข้าไปเห็นสภาวะจริงๆเห็นรูปนามนี่จริงแล้วรูปนามนั้นไม่มีตัวตนค่ะดูต่อไปนะมาได้ครึ่งหนึ่งแล้วเพราะว่าต้องถึงเวลาที่จะต้องใจถึงแล้วใช่ไหมคะเริ่มรู้สึกไม่ชักคึกกระหนองแล้วอต่อไปนี้จะเริ่มยากแล้วนะค่ะรู้สึกเฮ้ยอีกนิดเดียวเว่ยจะลุยแล้ว ต้องต้องใจถึงแล้วใช่ไหมคะดูต้องใจเย็นค่ะก่อนที่หลวงพ่อจะพูดอธิบายสภาวะให้ฟังเนี่ยต้องใจถึงแต่เมื่อฟังสภาวะไปแล้วเนี่ยต่อไปนี้ต้องใจเย็นใจเย็นแปลว่าอะไรคะใจเย็นหมายถึงว่าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างมันดูลูกเดียวเลยค่ะอ่าต่อไปเบอร์แปดเอาแถมเบอร์แปดหน่อยแล้วเดี๋ยวไปเบอร์เจอะไรนั้นทางนั้นค่ะจริงๆแล้วคําถาม จะคล้ายๆกับน้องเขาค่ะเหมือนกับหลวงข้อตอบมาเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าจะเห็นความอยากอยู่มากแล้วก็แบบเห็นมากๆแล้วก็โกรธเสร็จแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงค่ะแล้วมันก็เกิดแล้วมันก็เกิดแล้วมันก็เกิดก็เห็นไหมมันเป็นไปเองมันไม่ใช่เราหรอกคอ่ะไปส่งไปเบอร์ไลายล้านหกหกเบอร์เจ็ดเบอร์สิบห้านะสามท่านข้างหลังเยียบข้างยกเลยนะสงสัยจะไม่ถึงหรอก กลับมนมสัส ก, การหลวงพ่อครับผมพึ่งมาครั้งแรกมาอขอขออนุญาตรายงานตัวได้ไหมครับหลวงพ่อครับไม่ต้องก็ได้นะครับผ ม, ผมมาจากจังหวัดสุรินทร์ครับ เ, เดินทางมาจากรถตู้บ้านอารีครับก็ได้ได้ฟังซีดีหลวงพ่อนะครับประมาณหกเดือนนะครับแล้การปฏิบัติธรรมก็ยังไม่เคยทํามาก่อนก็ทำแล้วก็รู้สึกศรัทธาก็หาเวลาเดินทางมาแล้วก็ได้ฟัง สี่ดีแล้วก็แล้วก็ฝึกว่าจะตามดูดูจิตดูกายดูใจในปัจจุบันอย่างไงก็ก็ยังยังดูไม่ถูกแก่ก็ที่โยมดูเหมืก็ดูถูกอยู่แล้วล่ะค่ะพรมนะกิเลสอะไรเกิดขึ้นมาเราก็รู้ทันไปเรื่อยเรือยรู้เล่นๆนะไม่ใช่ดูดูเพื่อให้หายค่ะพรมดูเล่นๆไปเรื่อยด้ครับจะจะจะพัฒนาอย่างไงครับหลวงพ่อไม่ไม่ต้องทําอะไรนะ อะไรเกิดขึ้นในใจเรารู้ไปเรื่อยๆครับอย่าไปแทรกแซงอย่าไปบังคับให้รู้เล่นๆของคุณอย่าติดบังคับนิดนึงครับต้องปล่อยให้มันเป็นอิสระปล่อยให้จิตทํางานไปแล้วตามดูไปครับเอย่าตอนนี้จิตไปคิดทราบไหมครับอยู่สุรินนะเมื่อไหรจะกลับสุรินนะก็จะกลับเย็นนี้ครับบ่ายนี้ก็ไปบ้านอาลีอยู่อำเภอไหนอ่ะอยู่อำเภอชุมพลบุรีครับอรอตอนนี้อยู่อำเภอเมืองแล้วครับว่างๆช่วงนี้นะไปที่โรงพยาบาลสุรินะ่ะ ครับผมไปกราบหลวงตาผนึกสะรู้จักไหมชื่อหลวงตาผนึกนะไม่ไม่รู้จักกับหยุดโรงพยาบาลสุรินทร์นะหรือโรงพยาบาลอะไรที่ไปกันโรงพยาบาลสุรินทร์นะเอาไปถามหาดูไปกราบสะครับครับเอากําไรไว้ก่อนไปกราบท่านนะแล้วก็อธิษฐานนะทํำใดที่หลวงตารู้แล้วขอให้ผมรู้ด้วยกรับหลวงพ่อเอาไปส่งไปข้างหลังหกสบห เออเบอร์อะไรเบอร์ร้อยสมสองอะค่ะเออไปส่งไปนั่นแหละ3ามคนขอหนุหนก่อนได้ไหมเอาาเอ า, เอาคือพอดีว่าเคยม า, าส่งกันบ้านหลวงพ่ออะค่ะแล้วหลวงพ่อบอกว่าติดเพลงก็พยายามแบบดูจิตยอยู่ก็ยังรู้สึกว่ายังติดเพลงอยู่เหมือนเดิมอะค่ะก็ถูกแล้วละแล้วไงก็เลยอยากจะขอกันบ้านหลวงพ่อว่าต้องทํำยังไงให้รู้ทันว่าใจไม่ชอบเพลง ใจไม่ชอบแล้วอยากจะเลิกเพ่งแล้วมันไม่ยอมเลิกให้รู้ทันใจของเราไปที่มันไม่เป็นกลางต่อการเพ่งแล้วต่อไปใจไม่เป็นกลางต่ออะไรก็รู้ทันมันไปเรื่อยๆเอาไปส่งไปข้างหลงังการแม่มาสการหลวงพ่อครับผมก็เพ่งหัดภาวนามาได้สักระยะหนึ่งครับสมถะก็ไม่ค่อยได้ทำสมาธิก็ไม่ค่อยมี <c oughs> แต่ก็คอยตามรู้กายรู้ใจไปตามที่หลวงพ่อสอนนะครับ <c oughs> อยนี้ผมไม่รู้ว่าที่ผมตามรู้อยู่เนี่ยมันถูกจุดไหมครับถูกนะแต่ว่าแรงไม่พ อ, อ, อพลังของจิตเนี่ยไม่พอเพราะยมไม่มีสมร t h เอาไว้เลย เพราะราต้องช่วยมันนิดนึงนะครับยมพยายามท่องพุทโธพุทโธไปเรืร่อยๆหรือสวดมนต์สั้นๆในใจเราไม่ต้องยาวนะสวดสั้นๆครับนโมตัสสะอะไรเงี้ยก็ได้สวดไปแล้วก็สังเกตใจเลยใจไหลไปคิดเรารู้ใจไหลไปคิดเรารู้ฝึกเนี้ยเราเดี๋ยวใจจะได้มีแรงขึ้นมาใจไม่มีแรงใจกําลังมันไม่พออ๋อ <นะ S 1> มันเริ่มดูเป็นหรอกแต่ว่ามันดูแบบไม่มีแรงอยูงเน<ช>ี้ยใช่ครับคือใหม่ๆนี่ บเหมือนกับว่าเห็นกิเลสเยอะแต่พอสักระยะหลังนี่มันมัวมองะอะไรไม่ใช่ใจมันไม่มีแรงนะอ๋อครับงั้นบริกรรมไปสวดมนต์ในใจไปเรื่อยแต่ไม่ใช่สวดให้สงบนะครับอรหังสัมมาสัมพุโทโธพัควาใจแอบไปคิดและรู้ทันมาสวดต่อพุธทธังพะคกวันตังอหนีไปคิดอีกและรู้ทันครับ ไม่ได้ฝึกเพื่อไม่ให้คิดนะแต่ฝึกเพื่อว่ามันหนีไปคิดเรารู้หนี่ไปคิดเรารู้ใจจะได้มีแรงขึ้นมาอ๋ อ, อไปส่งไปข้างหลังเอีอ๋หลวงพ่อครับผมอยากจะให้หลวงปู่หลวงพ่อช่วยคุยอะไรกับคุณพ่อผมหน่อยครับคือท่านแบบเบือเบ่อเบื่อเบื่อโลกอะไรอย่างนี้ครับก<า>็ธรรมดานะอยู่มานานก็เบื่อแหละ <laughs> <f uck ling> ฟังซีดีบ้างเปล่าพ่อ อ๋อบางทีนั่งรถมาด้วยกันเปิดไม่ทาว่าท่านฟังหรือเปล่าครับไม่เป็นไรเปิดไปงั้นแหละอ๋อครับหลายบ้านทำอย่างนั้นประสบความสำเร็จมาแลอ๋อครับขอบพระคุณหลวงพ่อครับเอาไปส่งไปข้างหลังแล้วต่อไปเบอร์73็ดสิบสามหาหนึง่ก่าวนามัสการหลวงพ่อนะคะก็มากับพี่ชายนี่นะคะเพิ่งเป็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะหนูก็คงมันหลายคนสัเกตใจเรานะมันกระโดดรถเต้นเก่งมันนก เห็นไหมรู้สึกไหมมันจุ๊กยักยิ้กยักยตอนนี้เราตื่นเต้นนะให้เรารู้ทันมันไปเพราะว่าแต่ก่อนก็จะนั่งคือนั่งสมาธิมานานแล้วล่ะค่ะแต่ว่าอาจจะแบบก็เหมือนติดสมถะนะคะแล้วก็เหมือนเป็นเพ่งแบบว่าให้จะมีสติตอนนี้เราไม่เข้าใจฮะก็ทาไปเพ่งเพงตอนนี้เหมือนกับพอได้ฟังซีดีจากหลวงพ่อก็เหมือนกับว่าเราก็มาปรับตอนนี้หนูก็ไม่ทราบว่าหนูจะปรับแล้ว คือก็ดูตามอารมณ์กามดูไปนะตัมดูไปแล้วนี้วันเราเป็นอะไรแล้วก็ใจมันฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านแต่เดิมเนี่ยเพ่งไว้นานคนที่เพ่งมากมากๆเนี่ยพอเลิกเพ่งนะจะฟุ้งซ่านอย่างรุนแรงอ๋อใชเหมือนกับว่าโอ้โหเราทํากิเลสเราก็ยังเยอะอยู่นะคะนั่นแหละเพราะว่าที่ทํามาไม่ได้ล้างกิเลสเลยให้มีสติรู้ทันลงไปคเนี่พวกเราฟังซีดีกันเป็นแถวๆนะให้คนทําซีดีอยู่นี่อนุโมทนาราไหนนายโยนายโยมานี่มามาโชว์ตัวหน่อย มาเลยเมาเร็วเร็วเสียเวลาเอ้าจะได้สาธุครับแล้วเมื่ี้ที่หลวงพ่อบอกให้ดูกายดูใจก่อนที่จะไปทานอาหารนะคะโอก็คิดว่าเออเราดูพอไปถึงนะกว่าจะได้ดูคือล้างน้ําที่ห้าแล้วค่ะออย่างดีก็แล้วอย่างนี้คือคือว่าอย่างหนูว่าใช้ได้แล้วใช่คือแบบดูถูกใ ห, ให้ดูทนันใจเป็นใจมันฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านรู้ไปอย่างนี้เรื่อย ตอนนี้ความฟุ้งซ่านเป็นกิเลสที่โดดเด่นแต่ถ้านั่งสมาธิก็ยังนั่งได้เป็นอย่างเดิมใช่ไหมคะเดินจงกรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำได้นะแต่อย่าไปเพ่งเอาต่อไปเมื่อกี้เรียกเบอร์อะไรไว้ลืมไปแล้ว41 73 51เอาแค่นี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวมีเวลาก็เรียกเพิ่มกลับนัสการพอาจารย์ค่ะคำถามนี้คือคำถามสามีฝากมาถามนะคะ เราว่าเขาก็ปฏิบัติเหมือนกันฟังซีดีของอาจารย์เหมือนกันเขาฝากมาถามว่าคําว่าจิตตั้งมั่นกับสมาธินิ่มแตกต่างกันอย่างไรจิตตั้งมั่นคือจิตที่มีสัมมาสมาธินะสัมมามีสัมม า, ามีสัมมาสมาธิจิตของคนส่วนใหญ่เวลามีสมาธิเป็นสมา ธ, มมาธิที่ส่งออกไปข้างนอกอย่างเวลาเราอ่านหนังสือใช่ไหมจิตใจเราจดจออ่อกับหนังสือเวลาเราดูโทรทัศน์ใจเราไหลไปอยู่ในโทรทัศน์ อย่างนี้สมาธิอย่างนี้ไม่ได้ไม่เรียกว่าจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นคือจิตที่มันไม่หลงไปไม่ไหลไปมันรู้เนื้อรู้ตัวอยู่อย่างของโยมตอนนี้ยจิตหนีไปคิดทราบไหมใช่ค่ะจิตที่ไปคิดเนี่ยเรียกว่าไม่ตั้งมั่นเห็นไหมมันไหลไปคิดลองดูพระพุทธรูปสิค่ะเอ็นแก่นไหมใจมันวกแวกวอกแวกมันไม่ค่อยยอมดูเห็นไหมเนี่ยใจมันสายไปสายมาอย่างนี้เลยค่ะแต่ไม่ใช่นิ่งนะ จิตตั้งมั่นไม่ได้แปลว่าจิตนิ่งนะโบราณกันจิตตั้งมั่นหมายถึงว่าจิตที่มันไม่หลงไปไม่ไหลไปมันรู้เนื้อรู้ตัวอยู่อย่างขาเนี้ความสงสัยเกิดขึ้นรู้สึกไหมความสงสัยเกิดขึ้นรู้ว่าสงสัยไปแอบไปคิดเองแล้วทราบไหมมันคิดว่าจิตตั้งมั่นนี้ใช่สัมมาใช่สัมปชัญญะหรืเอเปล่าจิ ต, จตที่ตั้งมั่นเนี่ยประกอบด้วยองค์ธรรมที่เป็นกุศลจํานวนมาก มีสติมีสัมปชัญญะมีสัมมาสมาธิมีปัญญามีอะไรสารพัดเลยนะเป็นมหากรุสุลจิตประกอบด้วยปัญญาเกิดขึ้นโดยไม่ได้ชักชวนให้เกิดนะแล้วก็ตั้งมั่นในการรู้อารมณ์ไม่หลงไม่ไหลไปตามอารมณ์ยมสังเกตดูจิตเราไหลตลอดเวลาเดี๋ยวไหลไปทางตาไหลไปทางหูเดี๋ยวไหลไปคิดนะ<ช>ไปบอกแฟนนะว่าเรามานั่งคุยกันแล้วก็คอยสังเกตไปเดี๋ยวมองหน้าฉัน เดี๋ยวก็ฟังชั้นเดี๋ยวก็หนีไปคิดเนี่ยสลับไปสลับมานั่นแหจิตมันไม่ตั้งมั่นไม่ใช่เลยตอนนี้นะคะทีวีมันพอเราดูทีวีแล้วเราดูข่าวประเทศไทยมันวุ่นวายมากเราก็ไปร่วมคิดว่ามันทําไมมันวุ่นวายอะไรอย่างนี้ใจเราวุ่นวายนะทําไมหลวงพ่อไม่รู้สึกว่าประเทศไทยวุ่นวายให้คนั้งหลังเจบสามทั้งหลังทั้งหลังนมาสการหลวงพ่อเดี๋ยวนะอดทนนะจะได้กลับบ้านละ าววามาเช้านี้มีโมหะกับมีโลภะครับแต่อทิตย์ที่ผ่านมาก็คือจะรู้สึกว่าจิตตัวเองเนี่ยก็คือจะค่อนข้างจะโป่งโล่งๆนะครับก็ไม่แน่ใจว่าในส่วนของที่ทําอยู่เนี่ยถูกทางหรือเปล่าที่คุณทำนะค่อนข้างใช้ได้แล้วใจมันโล่งแล้วมันไม่ได้ไปเพิ่งไปอัดเอาไว้นะแต่ใจมันไม่ตั้งมั่นพอรู้สึกไหมมันโล่งๆมันกระจายออกไปข้างนอก<ช>มันสว่างออกไปข้างนอกให้รู้ทันว่าใจอยู่ข้างนอกใจไม่ตั้งมั่น ถ้ารู้ทันมันจะทวนกระแสเข้ามาเข้ามารู้กายรู้ใจนี่ยถ้าสบายอย่างนี้จะสบายอย่างเดียวจะติดความสุขไปแล้วถ้าปัจจุบันนี้ที่ทําอยู่ก็คือจะมีการภาวนาพุโทโธอยู่ในใจนะครับก็คืออาจจะรู้รู้ว่าไปคิดบ้างแต่ว่าก็จ ะ, ะนานแลัวตอบไปที้นะัพุโทโธพุโทโธแล้วจิตไหลไปคิดแล้วรีบรู้นะถ้าเรารู้ไม่ทันจิตมันจะไหลออกไปแล้วไปจ้าอยู่ข้างนอกเย่างนี้ ไปสว่างสบายสบายมีแต่ความสุขนะไม่เห็นกิเลสเลยไม่เห็นความสุขหรอกเอาแต่ความสุขอย่างนี้ใช้ไม่ได้มันไม่เห็นทุกข์มันไม่เห็นทุกข์กแล้วที่ปัจจุบันนี้ทุกเช้าจะมีการนั่งสมาธิอยู่นั่งไปนั่งไปนะแต่ว่าให้รู้ทันจิตไปเรื่อยๆมจิตไม่ตั้งมัน่นให้รู้ไม่ตั้งมัน่นสงบนะแต่ไม่ตั้งมัน่นรู้สึกไหมครับสงบแต่ไม่ตั้งมัน่นมันอยู่ข้างนอก จิตมันส่งออกนอกก็คือเวลาทำงานเนี่ยก็คือเวลาที่มีอะไรมันกระทบเนี่ย ก, ก็ทราบนะครับแต่ว่ามันก็จะอยู่เหมือ น, นอยู่ห่างๆตลอดเลยแต่อยู่ห่างๆเนี่ยอย่าไปประคองให้ห่างนะถ้ามันห่างเองไม่เป็นไรถ้าจงใจให้ห่างเนี่ยก็เป็นสมถะอีกแบบของคุณต้องระวังไว้มันน้อมไปทางสมถะที่จะว่างๆครับนะเอาต่อไปยกมือเพิ่มเบอร์สห้าห้าห้าบเ็ดใช่มสองคนนะั้นได้สองคน หมดเวลาแล้วยกไว้สามห้าในเคแล้วห้ามเสียงดังเรื่นี้เสียงดังที่สุดในวัดเลยกาบมรดการครับเออกำลังดกีก็คือตอนนี้ผมก็พอเริ่มแยกตัวจริงตัวปลอมเอาอละเลยละตรงนมรสการก็ยังดีอยู่อะตอนนี้ตัวปลอมขึ้นมาละก็ที่ผ่านมามันก็ตามรู้ไปได้เรื่อยๆครับเพียงแต่มันมันช่วงนี้มันรู้สึกจิตใจมันเริ่มเฉยๆกับวันวันที่ภาวนามไม่ค่อยดี แล้วก็แล้วก็ช่วงนี้มันเกิดข้อสงสัยอย่างหนึ่งแต่ความสงสัยมันก็ไม่คงที่แต่ข้อสงสัยนั้นก็คือตัวจิตใจที่มันมีส่วนที่เปลี่ยนแปลงส่วนหนและส่วนหนึ่งที่แบบคล้ายเป็นส่วนที่สั่งให้เราดูสั่งให้เราทํานู่นทํานี่มันตัวนั้นไม่เป็นอนัตตามันเป็นอัตัวอะไรอะครับก็จิตนั่นแหละจิตนั้นมันเกิดดับอย่างรวดเร็วเลยแล้วทาหน้าที่ต่างๆกันได้ตั้ง14อย่างเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็เป็นผู้ปรุงแต่งเด เดี๋ยวก็เป็นผู้ตัดสินอารมณ์ว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีเดี๋ยวก็เป็นคนเสพอารมณ์จิตทํางานได้สารพัดอย่างแล้วก็ดูไปเขาเป็นคนคิดก็รู้เขาเป็นคนไปรู้ก็รู้ะคนละดวงกันครับแต่ผมก็สงสัยว่าเหมือนกับว่างั้นก็เหมือนกับว่าเราก็เหมือนกับเรายังสั่งการตัวเราเองบังคับตัวเราเองได้อะครับอันนั้นเพราะเรายัางหลงผิดอยู่ครับเราดูไปได้ๆลองสั่งสี่สั่งให้ตัวลอยใช่สั่งใช่ หรือสั่งให้จิตสงบไม่ให้คิดซิลองสั่งให้จิตหยุดคิดซิเนี่ยเห็นไหมไปคิดว่าจะหยุดคิดเห็นไหอมันหยุดไม่ได้หรอกสั่งให้มันมีความสุขซิสั่งอะไรได้บ้างอ่ะตกลงอ่ะคือสังเกตตอนอ่านหนังสือครับมันแค่มันก็สั่งให้มันจดจ่อไอ้นั่นมันมีสมาธิในการอ่านหนังสือจดจ่ออยู่กับการอ่านหนังสือแต่ถ้ามันเบื่อขึ้นมามันก็เบื่อเองรู้สึกไหมครับสั่งให้มันมีสมาธิยี่สี่ชั่วโมงได้ไหมมันก็ไม่ได้ เอามาเบอร์51 51ช่วงเดือนที่ผ่านมานี่ตอนที่มีระหว่างวันเนี่ยพอมีสติปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นตัวตนเราขึ้นมาเยอะมากค่<า>กกนะคราวนี้เนี่ยระหว่างวันก็พยายามที่จะรู้สึกตัวไปเรื่อยๆแต่ก็ได้บ้างไม่ได้บ้างคราวนี้ตก ต, ตอนกลางคืนเนี่ยตอนทําสมาธิเนี่ยจะเห็นยิบยิ บ, ย, บยิบหมดค่ะคราวนี้มันจะมีเห็นก่อนหน้านี้มันจะเห็นพอ เห็นดับวูบไปแล้วเราก็แข่งขึ้นมาเลยคราวนี้มันมีความรู้สึกว่ามันเป็นการประคองตัวก็เลยเลิอกออกจากสมาธิแล้วก็พยายามที่จะเดินจงกรมให้รู้สึกตัวแต่เมื่อคืนนี้นะคะตอนที่ระหว่างที่เราดูแล้วมันเห็นการเกิดดับมันยิบยิ บ, ยบมันก็ไม่เหมือนกันแล้วเราก็ดูแบบด้วยความเป็นกลางคราวนี้พอตอนมันรู้สึกว่าระยะเวลาที่ดูเนี่ยคือมันมันเห็นเนียมันนานมากเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็ไม่มีแล้ว มันสักพักหนึ่งมันก็คือมันค่อยๆจางหายไปแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันเริ่มจะประคองตัวอีกแล้วแต่ครานี้เนี่ยคือมันแก้ไม่ได้ทั้งที่ที่เราก็พยายามที่ว่าเออรู้สึกตัวว่าเนี่ยมันเป็นการประคองตัวไปแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ถ้ามันจะประคองนะจิตมันเคยชินจะประคองมันก็ประคองถ้าเราสั่งได้ตามใจชอบจิตก็เป็นอัตตาแในความจริงสั่งไม่ได้ก็แค่รู้ด้วยความเป็นกลางไปนะ อย่างนี้ต้องเลิอกออกจากสมาธิแล้วก็มาเดินจงกรมหรือเปล่าคะก็ไม่ต้องออกนะจิตเข้าไปอยู่งั้นก็รู้ว่าเข้าไปอยู่ไม่อยากอยู่ก็รู้ว่าไม่อยากอยู่ดูไปเลยค่ ะ, คะแล้วช่วงที่ผ่านมามันก็จะมีบางครั้งมันก็เบื่อบ้างไม่เบื่อบ้างแ ต, แต่ว่าไม่ไม่ทราบว่ามันเป็นเบื่อที่ ท, ที่มัน<ก>พุ่ีแล้วหล่ละค่ ะ, ะดูไปค่ะเอาดาวไปทำอะไรมาหมูนี้จิตดีคะ วันนั้นฟังเทปหลวงพ่อค่ะแล้วหลวงพ่อพูดว่าให้ดูลงไปตรงไหนที่มันมีตัวตนนะคะแล้วมันเป็นครั้งแรกที่มันกระทบใจว่าแบบเออเราไม่เคยดูตรงนี้แล้วก็ไปดูมาน า, าตาค่ะมันจะเห็นว่าเราเนี้แบบเล็กๆน้อยๆก็ออะไรก็เราอะไรก็เราภาน า, าดีแล้วนะภานามาถึงจุดซึ่งไม่เคยมาถึงละเอาเบอร์ร้อยสามเจคนสุดท้ายนะได้คนสุดท้ายแล้ นมัสการครับหลวงพ่ อ, อครั้งก่อนมาส่งกันบ้านแล้วหลวงพ่อบอกจิตนิ่งไปอะครับตอนนี้ยังนิ่งไปอยู่หรือเปล่าครับตอนนี้ก็ยังติดนิ่งนะแต่เบากว่าตะก่อนเยอะแล้ะไปทําต่อ<ม>อยเคลื่อนไหวกระดุกกระดิกร่างกายเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆนะไปเดินจงกรมไปอนะไรเงี้ยแล้วยายจงใจปฏิบัติมากครับนะไม่ควรนั่งสมาธิใช่ไหมครับไม่ควรนั่งตอนนี้นะแต่ต่อไปก็ต้องนั่งอีกครับเพราะว่านั่งเรารู้สึกว่ามันรวมรวมทุกทีเลยแล้วกพยายามรู้สึกร่างกายไว้ ผนึกถึงร่างกายมากๆนะดูกายไว้เยอะเะครับผมได้ครับเอาไปเชิญกลับบ้าน